ไม่ใช่ทำแบบงานโยธาไม่เหมือนกับการศึกษาฝากใช่มันสมองใช่วัตถุอันอื่นมาประกอบเอากายเอาใจเอาสติมาดูมาทำกับมือของเรามอนความหลงก็เห็นความหลงด้วยมือของเราด้วยการรูปคำความหลงดู ก็จะเป็นความรู้สึกกับรูปคำความรู้สึกดูเหมือนกับเด็กน้อยไม่รู้จับไฟพอเห็นไฟก็คานเข้าไปหาแล้วไม่รว่วมั น, นร้อนแล้วมันเย็นแม่พ่อก็ดึงเอาไว้ไม่ให้ไปจับไฟแล่ก็จังคานเข้าไปอยู่ แต่เมื่อเด็กน้อยนั้นได้จับไฟโดวเขาก็จะกลัวมันร้อนเขาก็จะไม่เอาอันนั่นเลยว่าได้สัมผัสสัมผัสตูชีวิตของเราแต่ก่อนเรายังไม่ศึกษาไม่สัมผัสกับความเพ็จความเท็จความจริงก็อาจจะ ไม่ไม่พบไม่เห็นเมื่อเห็นก็เห็นโดยความคิดแล้วก็เห็นเฉียนเห็นเฉ่นทุกก็ยังมีทุกสุขก็ยังมีสุขหลงก็ยังมีหลงแสดงว่าไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทํากับมือวิธีที่ปฏิบัตินี่เป็นวิธีที่สัมผัส สัมผัสกับความรู้สึกตัวไม่ต้องไปเกี่ยวกับความคิดเห็นเหตุผลอัไรใดเอาความรู้สึกตัวมาต่อกับกายกับจิตใจใได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวโดยตรงจนรสชาติของความรู้สึกตัว มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เจนเรายกมือสร้างจังหวะโอ้เรายกมือที่เคลื่อนไว้ไปมานี่ก็คือความรู้สึกตัวเคลื่อนข้างทีหนึ่งก็รู้สึกตัวตลอดถึง14โลบรูปแบบ14อลี่อริบท14บับัพะ แม้จะเป็นบัพภะต่างกันยกไปยกมาก็คือความรู้สึกตัวแต่ว่ามันมีจังหวะเพื่อให้ลำดับลำนำไม่ใช่รูป ก, ก่อนรูปหลังความรู้สึกตัวที่เป็นการสัมผัสคือสัมผัสตรงๆเป็นปัจจุบันตั้งไว้เป็นปัจจุบั น, น, จจบนหัดให้มันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่ ต้องมีเทตั้งต้องมีการลำดับลำนำได้สัมผัสกับความรู้สึกตัว14ครั้งรอบอีกสองรอบ3มรอบ4ี่รอบหลงไป ก, รก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวได้สัมผัสไม่ใช่ไปคิดโดยเหตุด้วยผล ลูกสึกตัวจริงๆอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาแยกวาแยกทำใหม่ๆบางทีมันคิดแล่นไปทางอื่นแต่ก่อนนี้ทำอะไรมันเอาทำอะไรมันเอาความชอบเอาความไม่ชอบเอาความขยันเอาความขี้เกียจเอาความผิดเอาความถูกเอาความสุขเอาความทุกข์เอาความสะดวกเอาความยากความ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 ไม่รู้สึกตัวกม็มีเหมือนกันพอเอาจริงๆโอ้ก้าวไปลู่ก้าวไปลู่โอ้มันคือตัวลู่ตัวนี้ก้าวไปเพื่อให้เกิดความรู้จึงจะเป็นการเดินจงกลมที่ถูกต้องยกมือเคลื่อนไหวให้เกิดความรู้สึกตัวจึงจะเป็นการสร้างสติจริงๆโอ้มันคือตัวนี้ตัวนี้ก็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 ต่างกับอันอื่นสิ่งอื่นที่ปกปองคุมไว้คุมไว้พอเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเวลาเดินจงกรมเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวมันเป็นเบาๆมันเป็นความรู้สึกตัวมันก็จบโอ๋มันถึงเท่านี้มันถึงเท่านี้มันมีเท่านี้โอ้เราจะต้องตามตัวนี้ลองดูจะ ต, ต้องสร้างตัวนี้ลองดู 9, 5, 1, ก้าวไปถึหนึ่งขอรู้สึกตัวได้สําเร็จแต่ละก้าวสำเร็จด้วยความรู้สึกตัวหรือยกมือสร้างจังหวะรีบวดแต่ละรีบวดเนี่รู้สึกตัวโอ้มันสําเร็จมันสําเร็จมันสําเร็จการใช้รูปแบบมันสําเร็จเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวแล้วเวลาใดที่มันหลงไม่ใช่ความรู้สึกตัวอ้มันก็สําเร็จกับว่าหาความรู้สึกตัวได้สําเร็จได้สําเร็จ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 มันจะหลงก็ไม่กลัวมันจะสศกมันจะทุกข์ก็ไม่กลัวมันจะง่วงเหงาหงนอนก็ไม่กลัวมันจะคิดลังเลสงสัยผงสานก็ไม่กลัวพอเราจับหลักตัวนี้ได้แล้วคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนะเพราะความรู้สึกตัวนี่คล้ายๆกับว่ามันเป็นทางมันเปิดทางมันเหยียบหลังจาเราเดินได้เหยียบดินมันมั่นใจ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 เพรมันเป็นธรรมที่สุดสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วแต่สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันก็มันก็เปลี่ยนไปเองมันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวไปเองเหมือนเด็กน้อยจับไฟมันก็วางไปเองถ้าไม่จับไม่ถูกไฟไม่ธรรมดาจับสึงจับของอันไหนที่มันสัมผัสได้มันก็สัมผัสอันไหนที่มันสัมผัสไปได้มันก็ไม่สัมผัส ตอนนี้มันเป็นภาคปฏิบัติถ้าจะเปรียบความรู้สึกตัวเหมือนเด็กที่ยัยงเกิดใหม่ๆกำลังหายใจละเอียดกำลังปรับปรมหายใจละเอียดลมหายใจที่ละเอียดถ้าหายใจไม่เป็นมันก็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 แม่จิตตาหูจมูกกลี่นกายใจอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นฐานของความรู้สึกตัวได้สาเร็จมันก็ไม่เอาความหลงมันก็ได้ช่องได้ทางสัมผัสกับกายโดยความรู้สึกตัวจริงๆมันก็ไปเห็นเห็นความเทศของกิงของกายของกิจเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนมามธรรม เห็นเป็นลูกมาทมเห็นเป็นนามมาทำมันก็ยอ่อลงมายอ่อจากจริงหลายหลายอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อสมัยเราทําใหม่ๆความลังเลสงสัยความงงเหงาหานอนความคิดผงซ่านก็จะบาบ า, าคะที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าตัวว่าตนพ อ, อดูไปดูไปโอ้มันเป็นลูกมันเป็นนาม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 ปัญหาเกิดขึ้นกับรูปก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับนามปัญหาเกิดขึ้นกับนามก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับรูปแต่ก่อนพอเรามาเห็นเข้าจงเกงโอมันเป็นกองรูปกองนามที่มันเกี่ยวข้องด้วยกันมีสติมีสติเข้าไปเห็นอาการที่เป็นของรูปอาการที่เป็นของนามธรรมชาติที่เป็นกองของรูปธรรมชาติที่เป็นกองของนาม เป็นระเบียบกองโูกกองนามเป็นระเบียบเป็นธรมต่อกันสนับสนุนไปเกิดประโยชน์ทำดีได้สําเร็จละความชั่วยได้สําเร็จเพราะมันไม่โูกไม่นามแต่ก่อนนี่ทำช่วยได้สําเร็จเพราะมันไม่โูกไม่นามเป็นทุกข์ได้สําเร็จเพราะมันไม่โูกไม่นามความโกรธก็ได้สําเร็จเพราะมันไม่โูกไม่นามอนนี้พรความ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 ได้กลิ่นทางจมอกได้สัมผัสกับรสกับลิบล่นได้สัมผัสกับกายกับจิตใจที่คิดอารมณ์พรงแต่งต่อคนมีสติมก็สมรวมมันฝึกไปหลายๆทางมันลอบๆไปได้หลายอย่างความรู้สึกตัวมันลอกมาทางไหนก็ลอกไปแล้วมันแงงมุมที่มันขึงใหเอาไว้ อะไรมาสัมผัสทางไหนมันรอบโลกมันก็ไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็มาอยู่ตรงกลางตรงกลางใหญ่ของมันส่วนกลางที่จะต้องรอบโลกความโลดสึกตัวนะมันก็เกิดการสํารวมอายัดนะลงเองมั่นคงไม่หวั่นไหวพอตาพอหูพอลูกพอรสพอกลิ่นพอเสียงแต่ตาหูจะมูกรดลูกรสกลิ่นเสียง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 สมาธิก็หนักแน่นไม่งอนแย่นคลอนแคลนเม่น้าหนักสติม่น้าหนักเหมือนมีดม่น้าหนักมีคมตัดความหลงก็ขาดไปเลยตัดความโกรธก็ขาดไปเลยสมาธิไม่ไม่หยากทำลายความโลภความโกรธความหลงเลยไม่หยาก ฉันอดไม่ได้ฉันอดไม่ได้ฉันทนไม่ได้ไม่มีเป็นความง่ายและความชั่วเป็นความง่ายทำลายความโกรธความโลภความหลงเป็นความง่ายเป็นจีฬาเป็นศินละปะเหมือนมีจอบกปะดาษหญ้าตอกจากต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ออกจากไล่มันไล่อ้อยที่เราปลูกเอาไว้ มันก็เป็นของที่ทําให้เกิดประโยชน์การทําลายความโลภความโกรธความหลงเป็นประโยชน์ให้เบาให้บางลงเป็นประโยชน์ต่อรูปต่อนามแต่ก่อนรูปนามเอามาผิดความโลภความโกรธความหลงพอมีสติแล้วมดายออกทําให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญางอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเกิดอนในสงทันตา หลวงพ่นเาะว่าเก่าๆหลวงพ่นเพราะว่าเก่าไม่มีอะไรที่จะถึง อ, อกถึงใจเท่ากับละความชั่วทําความดีทําจิตบริสุทธิ์ได้ทําความหลงเป็นความรู้ถึงใจได้ทําความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เป็นภาวะที่ถึงจิตถึงใจได้ทำความโกรธให้เป็นความไม่โกรธถึง อ, อกถึงใจ ไม่เหมือนสมยก่อนสมัยก่อนเมื่อโกรธก็ว่าไปตามความโกรธสะใจดีได้ด่ากันได้สะใจดีเวลาใดถ้ามันเป็นทุกข์ก็ข่มคืนบุบบึง้งเออก็ถึงใจได้สแสดงถึงความโกรธได้สแสดงถึงความทุกข์ถ้าจะว่าแล้วเขาก็เป็นความบันเทิงกความาบันเทิงเนี่ยเขาพอใจ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 ตัดกำนางราคะนางตันหานางอลดีที่เราเห็นภาพตอนพระพุทธเจ้าตัดสลูมีนางราคะนางตันหานางอรดีมาป้อนลำต่อหน่าเปลยกายแสดงอะไรต่างๆทําให้เกิดการบันเทิงยินดีแต่พระพุทธเจ้าได้ตัดภาษิตออกไปว่า นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใหมไหมความรู้สึกตัวความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นเป็นการตัดความบันเทิงเป็นชีวิตล้วนๆไม่แบ่งเนี่ยเมื่อเห็นรูปเห็นหนามมันจับเอามาตกมาแต่งอะไรที่มันไม่เป็นธรรมแต่งให้เป็นธรรมทั้งหมดเปลี่ยนทั้งหมด แล้วก็เป็นรูปจริงๆรูปนี่ก็เราอาศัยได้จริงๆน้นําก็อาศัยได้จริงๆอรูปมา incentive. ทำความดีก็ทําดีได้สําเร็จเกิดเป็นศีลอยู่ที่รูปเกิดเป็นสมาธิอยู่ที่รูปเกิดเป็นปัญญาอยู่ที่รูปเกิดเป็นศีลอยู่ที่น้ําเกิดเป็นสมาธิอยู่ที่น้ําเกิดเป็นปัญญาอยู่ที่น้ำมาธรำเอามาทำความดีได้สําเร็จมั่นใจมั่นใจ โอ้มั่นใจแล้วชีวิตทั้งหมดในโลกคือการกระทาที่เอารูปเอานามมาทำดีมาละความชั่วมั่นใจไปะจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรก็ตามมันอยู่กับการกระทำเราแต่ก่อนมันมากเหลือเกินชีวิตเราถูกแบ่งถูกฟันไปหลายอย่างจับโ้นสายไปเหตุไม่ถูก พอเห็นรูปเห็นนามแล้วมันทำอะไรได้สาเร็จรูปตามก็ตามไปเฉลยจนถึงมรรคถึงผลนั่นแหละมักผลก็เกิดขึ้นกับรูปกับนามนี้ทำไมไม่รูปไม่นามมรรคผลไม่เกิดเห็นความหลงที่รูปต้องความหลงให้หมดไปมันเป็นผลอะไรที่เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์นั่นล่ะ มันคุยมันเขี่ยออกเพราะมันไม่เป็นธรรมต่อลูกไม่เป็นธรรมต่อน้ำมันคุยเขี่ยออกเหมือนกับเราเขี่ยอาหารที่ไปถูกก้างถูกดูกมันคุยเขี่ยออกมันไม่กลืนมันทำมวิจยณ์มันหลายอย่างที่ที่แรงสนับส น, นุน มันได้มันมันได้ความสมมูลสมมูรณ์แบบชีวิตที่สมมูรณ์แบบสมมูรณ์แบบที่จะทำให้ไม่มีปัญหาสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาเนี่ยมีหลายอย่างสมบูรณ์แบบพลังแห่งสร้างคุณธรรมหลายอย่าง มีความอดทนมีสติมีความเพียรมีความเมตตามีสัจจะมีศีลมีสมาธิปัญญาหลายอย่างพลังแห่งสร้างให้เกิดความยุทิธรรมต่อรูปต่อนามมากจริงๆแต่ก่อนเราไม่ไม่มีไม่มีสมัยพ่อนมีแต่พลังแห่งการสร้างรูปสร้างนามให้เกิดปัญหาอาโหจะโมกเลี่ยงกายใจหลบรถกินเสียง อารมณ์ต่างๆความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความยินดีความยินไล่มันไปเสียทางโน้นใช่ไหมครับมันไหลไปทางโน้นพอมาตั้งหลักใต้มันก็ไหลมาทางนี้ไปอารมณ์สมบูรณ์ชีวิตก็เกิดความอารมณ์สมบูรณ์ในศีลในธรรมขึ้นมานี่วิธีปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นการสัมผัสที่ถึง อกถึงใจทำความดีได้สาเร็จแล้วความช่วยได้สาเร็จชีวิตมันก็สาเร็จแล้วแล้วไปทำอะไรมันก็จะสาเร็จ เ, เหมาะแก่การงานแล้ ว, วเนีเหมาะแก่การงานแก่หน้าที่ใช้อะไรก็ใช่ถูก mm hmm. พอเหมาะพอสมแล้วก็ไม่มีอะไรที่กระตือรือร้นที่จะมาบอกความเกี่งแต่ผู้ตอคน ชีวิตขอใช่ชีวิตในรูปทางนี้เนี่ยมันก็มันก็ไปทางนี้บัดเนี่ยถ้าได้พูดความจริงถ้าได้พาทำถ้าได้บอกถ้าได้แสดงออกขนขวยยมาบอกมาสอนมาอ ะ, อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาไปทางนี้บัดเนี่ยแต่ก่อนมันไปเข้าลกเข้าพง ยินดียินไลพอใจเสียใจสุขสุขทุกทุกเออทำไมเราจึงจะไปอยู่กับโลกแบบนั้นมันโลกแบบนั้นมันทับถมมันปกปิดพอมาลู่เรื่องกรรมฐานล่วงพ้นภาวะเก่าข้ามล่วงไปแบบนี้นก็กระตือรือ่นที่จะเออ มีกำลังมีศรัทธาเอิด้ดโดยความเมตตากรุณาแต่ก่อนอาจจะรักแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่น้องบุตรั ญ, ญาสามีของตนรักข้าวรักของของตนพอมันเกิดจากนี่ขึ้นมามันก็รักแม้กระทั่งเม็ดหินเม็ดทรายรักความเป็นธรรมรักทุกชีวิตอย่างพระเจ้าหรือมหากรุณาที่คุณ มหากรุณาที่คนผูดีมาเห็นลูกเห็นนามเลเกิดอาการอย่างนี้เพราะามันพ้นทุกข์้นยากมันพ้นความปัญหาต่างๆออกมาได้มันหลุดออกมาได้แล้วก็เห็นเราที่มันเป็นยังไงเขาเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นมันก็มีสูตรตันเดียว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 ลูกจากน้มออกจากกายจา ก, กจิตของคู่ของคนเป็นการรีบด่วนสักหน่อยนึงเป็นการรีบด่วนแ่นั้นก็ยังทาไม่ทันทั้งที่ทำอยู่ก็ยังทำไม่ทันไม่ได้ช่วยหลายๆ้ายอย่างชีวิตก็เลยรีบด่วนรีบรขนขวยรีบช่วยกันไป นี่เราจึงมาทิศทางของเราที่มาปฏิบัติธรรมก็คิดเหมือนเหมือนกันคิดเหมือนเหมือนกันทุกชีวิตนั่นแหละเพราะเรามีรูปมีนามเหมือนกันเราก็เคยหลงเราก็เคยรู้เราก็เคยสุขเราก็เคยทุกข์เราเคยรักเคยชังพอมาสร้างความรู้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 ไม่ใช่ลอยลอยอยู่ในหน้าไม่บ้านแม่ช่มันมีของที่จะมาสัมผัสอยู่เห็นความหลงก็มันก็หลงความรู้มันก็รู้พอทําลงไปมันเป็นการเป็นงานการงานที่เราทำเนี่มันก็เบาบางไปสร้างความรู้ก็มีความรู้จริงๆมีงในกายอำนาสัมผัสกับความรู้มันสัมผัสได้จริงจริงอย่างนั้นไม่ได้หลอกลวงใคร ให้มาทำลองดูมีความรู้สึกตัวจริงไหมแต่เห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีไหมความหลงที่เกิดขึ้นกับตากับหูจมูกลูกรสกินเสียงมีไหมแล้วมันหลงลายๆก็ตามมาเปลี่ยนความรู้สึกตัวได้ไหมแต่เมื่อเปลี่ยนได้แล้วก็พยายามเปลี่ยนไปเพียนตรงนี้แต่มันจะหลงแล้วหล ง, ล ง, ลงอีกก็เพียนรู้แล้วรู้อีก มันจะทุกข์แล้วทุกข์เี่ ก, กัเพียรลูกสึกตัวล่มไปในความเพียรแต่มีความเพียรตรงนี้มันก็พ้นได้ต้นจากความหลงนานาหลายอย่างพ้นจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรจะร่วงความโกรธความโลภความหลงไปได้เพราะความเพียรวิริเยนะทุกขมะจติต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 จากรูปจากนามที่จังที่เกิดจากรูปจากนามที่พ้นปัญหาแล้วก็เกิดการงานชอบขึ้นมานี่คือจุดมุ่งหมายที่เรามาที่นี่แต่ขอเองก็ประสงค์อย่างนี้ถ้าเราก็ประสงค์อย่างนี้ให้มาศึกษาของจริงแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยเราได้ แล้วก็เป็นกันระยานนมิตรกันระยานามิตเนี่ยพาถึงมรรคถึงผลนะแต่ว่าถ้าใครช่วยเราไม่ถึงมรรคถึงผลถ้าเป็นเพียงกันระยาณมิตเนี่ยพาให้ถึงมรรคถึงผลกันระยาณมิตรก็คือนี่แหละมาสร้างสติด้วยกันอย่านี้มาบอกมาพูดด้วยกันแล้วก็เห็นในเดียวกันโอ้เพื่อนเรานั่งอยู่กะทีหลงนนงังโน้นเขาคง่วุ่นบนเรา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 ลาใดมันหลงก็บรู้สึกตัวสาท่านก็บอกโอ้ท่านก็รู้เรื่องนี่นาะอ๋อมองไปทางหลายๆอย่างทางแม่ครัวโอ้เขาก็ทําอาหารให้เรากินเนาะโอ้ยอดโยมเขาก็ลองจะใส่บาตรให้เราเนาะไปเป็นทบาทโปรดยติโปรด โ, ย, ดโยมบางทีเขายังไม่ได้คิดที่จะใส่บาตรเพราะเห็นเราไปก็คิดถึงพระเป็นทบาทก็คิดเทนก้อนข้าวเอาข้ามาใส่บาตรโอ้เขาก็ได้โอกาส ถ้าเขาม่เห็นเราเขาก็ไม่ได้โอกาสโอ้เมันดีโนาไม่ใช่เราไปขอทานเขาเราเดินไปเบญธาบาดไม่สวมรองเท้าโอ้เราก็เหินเราดีโนาะแต่ก่อนเนี่ยรองเท้าอ่อนบอบบางพอเดินที่แรกเนี่ยวางวางรูปวางองค์น้ําตาล่วงนะพอเดินไปเดินมาก็เดินได้อืแล้วก็ฝึกไป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 เพื่อนเดินจอกๆแก่ ๆ, ๆโอ้เราก็เดินจอกๆแก่ๆก็สนุกหัวเลาะไปเลยเนะไม่ใช่เราทุกคนเดียวเนาะนี่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยมันพาถึงมากถึงผลเหมือนสมัยกลางพระเจ้าในเหล่ า, ภ า, ภาพระสาวกทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันอืคนขวยอยคนอกคนใจ เวลาขบอยฉันก็ได้ฉันเหมือนเดิกันอาหารวางไ ว, ว้บนถ้วยบนชามลักษณะการฉันมีบาทมีช้อนไปตักเอาตักเอาอะไรเท่พอที่จะเลือกสำหรับสุขภาพร่างกายเราเนี่ยหอวงพเลยสัตหะมามาขอฉันข้าวต้มสักสองสามวันเนา ะ, ะ, บนะ <c oughs> สบาย โอ้โหดับหมดเลยคุณวิทนยะ์เจืดไปหมดเลยรถก็จืดเสียงก็จืดตาตายังพอมมองเห็นหูนี่ไม่ได้ยินแล้วอ่าเขไปหาหมอโอที่ใช้พวงกุญแจหรือเปล่าก็ไม่รู้โหดับเสียงสวดมนต์ก็ไม่ได้ยินอะรกออมอ้อมเนี่ยรถก็จืดกินอะไรไม่ไม่รสไม่ชาติ บอกประสาทเลยเออไปพักค่อนสุขกโตัวสักหน่อยเห็นม mm ีม hmm. ไปบอกแม่ครัวทำอาหารให้หลวงพ่อสักหน่อยเออมาเลยนะเนาะาอยู่นี่สัทธหาหัสักสองสามคืนเอออันนี้ก็พอแล้วหลวนะเนาะมันไม่ถูกอันหนึ่งเวลาอย่างนี้ถ้ามาจับใหม่เรายิ่งมืดกันไปเลยนะเอไม่จำเป็นต้องให้พูดก็ไดนะ้เนาะยิ่งมาทำวัดเนี่ยิ่งอื้อไปเลยหูน่ อยากอยู่แยาอยู่แบบนี้คนเดียวถ้านอนก็ไม่ดีนะเคยนอนลองดูนะโอ้คนที่ทุกข์ขียากไปนอนไม่ดีเลยแข็งไปหมดเลยต้องให้เดินให้เคลื่อนให้ไหวออเคยทำงานทำการไปนั่งไปนอนอเฉยๆเลยโอ้ยไม่ถูกกับจิตหลิตรเลยอย่งางไรๆก็ขอให้เคลื่อนให้ไหวให้เดินไปโนนไปนี่อันนี้ยังคิดถึงตอนไม้อยู่ตะไปลดตอนไมนะ้เ่ย ไปจับดูแห้งหมดเลยแสดงว่าไม่มีใครลดให้หลวงพ่อเลยต่อไปเวลาหลวงพ่อไปดูดูให้ด้วยนะต้นไม้นะมันต้นเล็กๆมันมีดินแท่นี้มันอยู่ได้ไปถึงวันสองวันนะต้องเพิ่มน้ำให้มันะต้นไม้นี่ยถ้าต้นเล็กๆขนาดถ้ามันแห้งแล้วโอ้ยกลัวที่จะให้มันชุ่มมันเปียกขึ้นมามันมันหลายวันบางคนบางทีเราลดต้นไม้นะลดต้นไมกับโปรดเปิดโปรดโปรตเปิดต้องมีสมาธิ เอาปลกไปตอนนั้นอนนั่นไปกลับไปกลับไปโอ้เปียกเลยยังลูกอิ่มรลยยังลูกเนากลับไปกลับไปกลับไปโออิ่มรลยยังเหมือนกันลูกสื่เกินเอไปมาจากตอนนั้ตอนนั้นมาถึงตอนนั้อมันสงคนจับปัปับปัปัับไม่ไม่สาเร็จอย่างนั้นไม่สาเร็จไม่ไม่ถึงใหเออเดี๋ยวสมมติว่าตอนนั้ตอนไั้นตอนไั้ เราก็าจะาตัวตั้ง้นจากตนไปเนาะเหไหมมีน้ำใจเนี่ยเนาะสนุกดีโดยโดยน้ำใจที่เราลดทนไา้ไม่ใช่ขี้เกียจด้วยถ้าไม่รดไทยเรางพจะด่าแล้วจะบ่นออกแหละกับพรพร้อมกัน